วันที่20กุมภาพันธ์2517รัฐมนตรีและคุณหญิงพร้อมด้วยญาติมิตรและผู้ติดตามได้เดินทางมาจากกรุงเทพมาทำบุญถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์ที่วัดป่ามะม่วงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบลงมัคคนายกก็นำกล่าวถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทานตามลำดับพระสงฆ์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 กระทั่งพระชันเสร็จรัฐมนตรีและคุณหญิงก็ยังไม่กลับเข้ามาญาติมิตรและผู้ติดตามจึงต้องช่วยกันประเคนจตุปปัจจัยทายธรรมหลังจากนั้นพระสงฆ์ยถาสัพพีโดยที่เจ้าภาพไม่ได้โกรดน้ำและรับผ่อนเพราะมัวไปเดินชมวัดกันเพลินส่วนพวกที่ยังอยู่บนศาลาก็พากันนั่งประนมมือคุยกันประเจาประแจ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 คนเป็นรัฐมนตรีด้วยการฝึกให้เขาได้รู้จักกับสิ่งที่ถูกต้องเสียบ้างม่ใช่จะรู้แต่สิ่งที่ถูกใจเท่านั้นบุคคลทั้งสองกลับเข้ามานั่งในศาลาอีกครั้งเมื่อพระให้พรจบพอดีสงรูปอื่นๆกราบพระพุทธรูปและลุกออกไปคงเหลือแต่ท่านพระครูรูปเดียว ขอเชิญรับประทานอาหารกันก่อนปลดเดียวอาตมมาจัดเทศนอกธรร ม, มาตให้ฟังท่านเชิญเิญพวกเขาเพราะคนที่จะฟังเทศ ร, รู้เรื่องดีนั้นต้องให้ท้องอิ่มเสียก่อนวันนี้หลวงพ่อไม่มีธุระไปที่ไหนหรือครับรัฐมนตรีถามบ่ายสองอาตมมาต้องไปงานเผาศพ คนรู้จักท่านตอบที่ไหนครับหลวงพ่อที่จังหวัดแต่ยังไม่รู้เลยว่าวัดไหนคงต้องไปที่บ้านเขาก่อนตอนแรกเห็นว่าจะเอาศพมาไว้ที่วัดนี้แล้วยังไงถึงเปลี่ยนใจเสียก็ไม่ทราบท่านหมายถึงศพของเจนวนสี เขาไม่ได้เรียนให้หลวงพ่อทราบหรือครับรัฐมนตรีนึกตำหนิเจ้าภาพเขาคงยุ่งกระมังพอดีอาตา ม, มาไม่สนิทสนมกับเจ้าภาพเท่าไรแต่กับคนตายคุ้นเคยกันก็เลยต้องไปเผาข้อหน่อยท่านตอบเป็นกลางกลาง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 ซึ่งคนจ่ายกับข้าวก็จะจดรายการมาให้อย่างละเอียดว่าได้จ่ายอะไรไปบ้างส่วนปัจจัยเท雅ธรรมเจ้าภาพเตรียมมาเองอร่อยมากค่ะหลวงพ่อคุณหญิงตอบเธอเองก็นึกไม่ถึงว่าอาหารวัดบ้านนอกจะอร็จอร่อยถึงปานนี้จะว่าเป็นเพราะกำลังหิวก็ไม่ใช่เพราะอาหารบางอย่างต่อให้หิวอย่างไร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 ก็เชิญได้ทุกเวลาอาตมาสั่งพวกแม่ครัวเขาไว้แล้วว่าให้ทำสุดฝีมือทุกวันกับข้าววัดนี้ก็เลยอร่อยทุกวันคุณหญิงอยากรู้เคล็ดลับในการทำอาหารให้อร่อยไหมละ่ะอาตมาจะบอกให้อยากค่ะคุณหญิงตอบบรรดาผู้ติดตามที่เป็นสตรี ก็พากันอยากรู้ท่านพระครูจึงบอกเคล็ดลับว่าการจะทำอาหารให้อร่อยก็ต้องตั้งสติให้ดีทำใจให้ปลอดปโปรง่งถ้าใจดีเสียอย่างเดียวอะไรอะไรมันก็ดีหมดทำกับข้าวก็อร่อยโดยไม่ต้องใช้ผงชูรสชื่ออะไรนะ ที่เขาเรียกเนน โ, โตโตนะไอโนโมโตค่ะคุณหญิงบอกชื่อผงชูรสยี่ห้อหนึ่งที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่นแต่ชาวญี่ปุ่นเขาไม่นิยมใช้กันนั่นและนั่นและวัดนี้ไม่ต้องใช้โตที่ว่านั่นใช้แต่โตสำหรับนั่งกินข้าวคนฟังพากันหัวเราะชอบใจที่ท่านช่างมีอารมณ์ขัน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 อย่าให้เจอให้เจอเป็นอันขาดผมกลัวครับงั้นรึแต่ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าท่านจะต้องถูกผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็ต้องเสียชีวิตท่านจะเลือกเอาอย่างไหนก็คงต้องเลือกผ่าตัดแหละครับถ้ามันไม่มีทางอื่นที่ดีกว่าให้เลือกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะสมม ต, ติต่อนะ สมมุติว่าอาตมาเป็นหมอท่านเป็นคนไข้อาการหนักจะต้องผ่าตัดจึงจะหายมิฉ น, นั้นก็ต้องเสียชีวิตท่านจะยอมให้อาตมาผ่าตัดหรือเปล่ายอมครับรัฐมนตรีตอบหากใจแอบคิดว่าหลวงพ่อจะมาไม่ไหนกันหนอนนี่ยังไงยังไง ก็คงไม่บอกคุณหญิงต่อหน้าเราเรื่องที่เรามีอินูหรอกนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของพระของเจ้าไม่ต้องกลัวอาตมาจะไม่พูดเรื่องที่ท่านกําลังคิดอยู่นั่นหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของท่านคนเดียวแต่เรื่องที่อาตมาจะพูดนี่มันเกี่ยวกับคนอื่นๆด้วยท่านสบายใจได้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 ทราบซึ้งใจยิ่งนักที่ท่านรัฐมนตรีและคณะได้มีจิตศรัทธาพากันมาถวายพัฒตาหารแด่พระภิกษุสามนเณรแห่งวัดป่ามะม่วงในวันนี้นับว่าทุกท่านมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลน่าสรรเสริญแต่ก็น่าเสียดายที่พวกท่าน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 พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมเป็นข้าราชการจึงรู้แต่เรื่องราชการงานเมืองส่วนเรื่องบุญกุศลไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่จึงขออาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อช่วยเมตตาแนะนําสั่งสอนพวกกระผมและพวกพ้องด้วยเถิดครับท่านพระครูนึกในใจว่าเอคนนี้พูดเข้าทีท่าทางคงจะไปได้ไกลแล้วจึงอธิบายให้พวกเข้าฟังว่า การทำบุญที่ไม่ได้บุญคือการทำบุญที่ไม่รู้จักตรวจเจตนาหรือที่เรียกว่าทำบุญเอาหน้าสักแต่ว่ามีศรัทธาแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเจตนาก็คือความตั้งใจบําเพ็ญบุญซึ่งต้องกระทำให้ครบถ้วนกระบวนการ ยกตัวอย่างการทำบุญที่ผ่านไปเมื่อครู่นี้อาตมามองเห็นแล้วว่าท่านทั้งหลายมีแต่ศรัทธาเท่านั้นทว่าไม่มีความตั้งใจบำเพ็ญบุญต้องขอตำหนิกันตรงๆอย่างนี้แหละท่านรัฐมนตรีจะกโกรธก็ตามใจอาตมาพูดด้วยความหวังดีผมไม่กโกรธหลวงพ่อหรอกครับ รัฐมนตรีพูดออกตัวไม่โกรธหากก็ไม่พอใจเพราะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรียังไม่เคยมีผู้ใดกล้ามาตำหนิเช่นนี้มีแต่เขายกย่องสรรเสริญแต่ถึงจะโกรธอาตมาก็ไม่ว่าหรอกนะยอมให้โกรธเพราะสิ่งที่อาตมาพูดนี้จะไปเป็นประโยชน์ต่อท่านในภายภาคหน้า ท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อการที่ท่านกับคุณหญิงลุกออกไปเดินเล่นทั้งที่พิธีกรรมยังไม่เสร็จสิ้นนั้นนับว่าท่านเสียประโยชน์อย่างมหาศาลท่านทิ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยกันถวายปัจจัยทยธรรมแทนที่จะประเคนเอง ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าภาพและเมื่อพระสงฆ์ยะถาสับปีท่านจึงไม่ได้กรวดน้ำและรับผ่อนที่ถูกท่านจะต้องอยู่เมื่อพระว่ายะถาท่านต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้เปตชนหรือพวกเปรตที่เขาพากันมาคอยรับส่วนบุญเปรตมีจริงหรือครับ ผู้ติ ด, ดตามคนหนึ่งถามขึ้นมีสิโยมคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะจะไปเกิดเป็นเปรตและคนสมัยนี้ก็ไปเกิดเป็นเปรตกันมากอย่าว่าแต่คนเลยพระเองก็เถอะอัอตมาเห็นไปเกิดเป็นเปรตหลายรูปแล้วในสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ถวายวัดเวรุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพวกญาติญาติของพระองค์ที่ไปเกิดเป็นเปรตก็พากันมาขอส่วนบุญหรือคะแม้ดิฉันคิดว่าตัวพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นเปรตเสอีกคุณหญิงพูดขึ้นจำได้คลับคลายครับล่าวว่าพระรูปหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้พระองค์ไม่เกิดเป็นเปรต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 เราจะต้องประนมมือขึ้นรับพรจากพระบางคนพระขึ้นสัพเีแล้วยังกรวดน้ำอยู่เลยทำอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องคนที่รู้เขาจะตำหนิติเตียนเอาได้อาตมาเคยเห็นบ่อยโดยเฉพาะพวกคนใหญ่คนโตทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยครับ รัฐมนตรียอมรับอย่างน่าชื่นตาบานเพิ่งจะรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนกอ น, นี่แหละอาตมาก็ตั้งใจจะบอกท่านยูนี่คราวหน้าคราวหลังจะได้ทำให้ถูกต้องพวกญาติโยมก็เหมือนกันท่านว่าบรรดาญาติมิตรและคณะผู้ติด ต, ตามเวลาที่พระให้พร แทนที่จะตั้งใจรับผ่อนกลับนั่งคุยกันเสียงอึงคันหนึ่งแข่งกับเสียงพระสวดแล้วอย่างนี้จะไปได้บุญอะไรจริงไหมท่านถามสตรีผู้หนึ่งจริงค่ะสตรีผู้นั้นตอบอย่างสำนึกผิดหล่อนคิดว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ทำเช่นนั้นอีกนี่หากท่านไม่บอกหล่อนก็คงไม่รู้ จึงนึกขอบคุณท่านอยู่ในใจคิดว่าจะต้องนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสอนลูกสอนหลานให้รู้บ้างโยมเชื่อไหมว่าคนที่ทำบุญเป็นล้นลานแต่พอตายไปกลับไปตกนรกแบบนี้ก็ทำดีได้ชั่วสิคะหลวงพ่อคุณหญิงขัดขึ้นไม่ใช่หรอกคุณหญิงทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่วอันนี้เป็นสัจธรรมคนทำบุญเป็นล้านๆไม่เรียกว่าทำดีหรือคะหลวงพ่อแหมดิฉันชักงงแล้วนะคะหลวงพ่อกรุณาอธิบายด้วยเถอคะค่ะอาตามาก็กาลังจะอธิบายอยู่พอดีญาติโยมทั้งหลายการที่เราทำบุญไม่ได้บุญนั้นเป็นเพราะเราขาดเจตนา คือไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริงสักแต่ว่าทำ ต, ตามๆคนอื่นเขาที่เรียกว่าทำบุญเอาหน้าบางคนบริจาคเป็นล้านแต่ได้บุญน้อยกว่าคนที่บริจาคสิบบาทเพราะคนหลังเขาเจตนาแรงกว่าตัวเจตนานี่สสำคัญที่สุดนายโยมเจตนาก็คือใจ พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าเจตนาหรือใจนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกระทากรรมดังมีพุทธพจน์ ร, รับรองว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทสะ ประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทาอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคล น, นั้นเพราะทุจริตสามอย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่เชนนั้นถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทาอยู่ก็ตามสุ ย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุดจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติไปตามฉันนั้นญาติโยมเห็นแล้วใช่ไหมว่าเจตนาหรือใจนั้นสำคัญมากคนทำบุญเป็นล้านล้านแล้วตายไปตกนรกก็เพราะขาดเจตนาในการบําเพ็ญบุญ และตัวเขาก็ยังประกอบด้วยทุตเจริตสามอย่างไหนโยมผู้ชายลองบอกอัตมามาสักคนหนึ่งสิว่าทุตเจริตสามอย่างมีอะไรบ้างท่านไม่ถามรัฐมนตรีตรงๆเพราะรู้ว่าฝ่ายนั้นตอบไม่ได้บรรดายโยมผู้ชายที่นั่งอยู่ณที่นั้นพากันปิดปากเงียบ ท่านจึงถามโยมผู้หญิงหากก็ไม่มีผู้ใดตอบอีกเช่นกันท่านจึงตอบเสียเองว่าทุเจริตสอย่างก็คือกายทุจริตวจีทุเจริตและมนโนทุเจริตถ้าใครมีทุจริตสอย่างนี้ต่อให้ทําบุญอีกร้อยล้านก็ไปตกนรกได้ ไมาควมว่าการทำทานที่ปราศจากศีลไม่ได้บุญใช่ไหมครับรัฐมนตรีเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาบ้างถูกแล้วถ้าเรามีเงินมากทำทานเป็นล้านล้านแต่ไม่มีศีลสักข้อเดียวทานที่ทำนั้นก็เป็นมันไม่ได้บุญแล้วก็ยังต้องไปตกนรกอีกสมมุติว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งบริจาคทานทุกวันวันละหลายหมื่นแต่เขาก็ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดและดื่มสุราเมลไรแบบนี้เขาตายไปต้องไปตกนรกบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในศาลาพากันสะดุ้งสะเทือนเมื่อท่านพูดถึงศีล ต่างสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าขาดไปกี่ข้อคนที่มีจิตใจยุติธรรมสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องยอมรับว่าตัวเขานั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวคนเป็นรัฐมนตรีสะดุ้งกับข้อประพฤติผิดในกามมากที่สุดท่านพระครูเทศต่อไปอีกว่าศีลก็เป็นเจตนาเหมือนกัน คือเราต้องมีเจตนาว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีศีลครบทั้งห้าข้อเราก็ได้บุญแล้วได้มากกว่าการบริจาคทานเสียอีกลุงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดแต่เขาไม่เคยบริจาคทานก็ได้บุญมากกว่าคนบริจาคทาน แต่ไม่มีศีลใช่ไหมครับผู้ติดตามที่ท่านพระครูคิดว่าท้าทางจะไปได้ไกลถามขึ้นถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ได้บุญมากที่สุดต้องให้ได้ครบทั้งทานศีลภาวนาที่เรียกว่าบุญกริยาวัตถุสามถ้าใครทำได้อย่างนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ภาวนาคืออะไรครับหลวงพ่อพูดถึงทานและศีลผมพอจะเข้าใจแต่ภาวนาผมไม่เข้าใจครับว่าคืออะไรรัฐมนตรีถามภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตเช่นการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นอาตมา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 อยากรู้จักกรรมฐานก็ต้องมาอยู่กับอาตมาสักเจ็ดวันมาเข้ากรรมฐานแล้วท่านจะรู้เองว่ากรรมฐานคืออะไรถ้าให้อาตมาอธิบายด้วยคำพูดท่านก็จะยิ่งสงสัยใหญ่ของอย่างนี้ต้องลงมือปฏิบัติถึงจะทราบซึง้งมาได้ไม่เล่า วันเท่านั้นเองคงไม่ได้หรอกครับลุงพ่องานยุ่งมากคงปลีกเวลามาไม่ได้เขาเอางานบางหน้าหากแท้จริงแล้วห่วงใยสาวน้อยหน้าอ่อนคนนั้นมากกว่ากำลังคลั่งคล้ายไหลหลงไม่อยากจากพรากหล่นไปแม้ราตรีเดียวแต่ถ้าท่านตั้งใจที่จะมาจริงจริงอาตมาก็ว่า ท่านมาได้แต่เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกลางเนื้อชอบลางยาเรื่องอย่างนี้บังคับเขี้ยวเข็นกันไม่ได้บางคนนะอาตมาเห็นว่าเขาต้องเสียชีวิตแต่ถ้ามาเข้ากรรมฐานเขามีทางรอดถึง8ปดสิบเปอร์เซนก็ชวนเขามาเข้าแต่เขาก็ไม่ยอมมา ก็เลยต้องกลับบ้านเก่าแล้วผมมีเคราะห์หรือเปล่าครับหลวงพ่อหากผมต้องเป็นอย่างนั้นบ้างผมก็จะปลีกเวลามาเข้ากรรมฐานรัฐมนตรีพูดอย่างกลัวๆหากเขาตายลงในตอนนี้แม่หนูหน้าหวานเนื้อนุ่มคนนั้นจะอยู่กับใครไม่มีหรอกท่านอย่าตกใจเอาไว้มีอาตมาค่อยบอกให้รู้นะคุณหญิงนะ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 เพราะเรื่องมันยาววันหน้ามาใหม่นนะ่าโยมนะค่ะหนูจะมาขอเข้ากรรมฐานด้วยค่ะหล่อนพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมลน้นไปวัดไหนไหนก็ไม่เคยศรัทธามากมายเหมือนมาวัดนี้รู้อย่างนี้น่าจะมาเสียตั้งนานแล้วหล่อนนึกเสดาอยู่ในใจ